วันนี้นับว่าเป็นวันลำลึกถึงท่านพระอาจารย์ชิดทิตะจิตโตที่มรณภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาปีที่แล้วแต่วันนี้นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ยังไม่ถึงปีแต่ยังไม่ครบรอบหนึ่งปีแต่พวกเราก็ มาล้ำลึกถึงหรือว่าปารบถึงว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกพี่น้องสหธรรมิกที่เกี่ยวข้องกันควรจะทําอย่างไรอันนี้ก็คือความปารบของท่านพระอาจารย์เฉลิมแล้วก็ท่านพระอาจารย์พิมพาปารบกับครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อเป็นต้นเพราะะฉนั้นหลวงพ่อเองก็ เห็นว่าสมควรจะมีการประชุมหรือหารือเกี่ยวกับอัถิของท่านหลวงพ่อชิดว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เลยเพราะนั้นจึงมีวันนี้ขึ้นมาตามไม่จริงหลวงพ่อจะกล่าวความเป็นมาของท่านชิดแล้วก็สำนักสงแห่งนี้ ท่านชิดท่านเป็นคนชาวจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ได้บวชแล้วก็ไปอยู่ที่หลวงพ่อจะพูดแบบรวบพลัดนะแล้วก็ไปอยู่ที่วัดป่าบัานตา ด, ด้วยกันแต่หลวงพ่อเองก็ไปอยู่ก่อนนะก่อนท่านชิดถ้าจะว่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นน้องเป็นน้องรุ่นน้องหรือเป็นน้องที่อยู่ด้วยกันพี่น้องอยู่ด้วยกัน คือว่าองค์หลวงตามหาบัวนั่เป็นพ่อหนะลวงพ่อเองเข้าไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดปีพศ2512แล้วก็ได้ออกจากวัดป่าบ้านตาด25 2525แต่ท่านชิดเข้าไปปีไหนหลวงพ่อไม่รู้แต่หลวงพ่อออกมาก่อนได้ออกมาตั้งวัดป่านาคำน้อยปี2525 25. ต่อมาท่านชิด ท่านก็ได้อยู่กับองค์หลวงตาต่อมาก็ท่านก็ได้มาสร้างวัดป่าแห่งนี้นะสำนักหรือว่าวัดป่าแห่งนี้บางท่านอาจจะมาจากทางไกลอาจจะยังไม่ได้ศึกษาอาจจะยังไม่รู้นะสำนักสงฆ์ดงคอหรือวัดป่าดงคอบ้านดงคอ ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มสร้างตั้งเมื่อพศ .2535 นะวัดแห่งนี้สำนักสงฆ์แห่งนีนะ้ท่านพระอาจารย์ชิดทิะจิตโตเนะี่ยเริ่มมาอยู่ที่นี่มาปรากฏที่นี่ปี2535 เป็นเจ้าวาดองค์แรกพศ 2,537 เริ่มซื้อที่คือซื้อที่ดินตามที่จริงที่ตรงนี้ก็คงจะเป็นที่โบพอร์หรือเป็นที่จับจองของพี่น้องชาวบ้านทุกแห่งหนก็ต้องเป็นอย่างนี้ลหละอันนี้ก็คือซื้อสิทธิ์องค์หลงตาเห็นว่าน่าจะรักษาไว้ เป็นจุดเป็นหย่อมแต่ดโดมากถ้าองค์ใดก็ตามถ้าเราไปอยู่ในป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกศิธิ์ลูกหาอยากหลงพ่อเองไปอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยหลงพ่อก็พยายามเก็บรักษาป่าจุดนั้นไว้เหมือนกัน1350รหไร่นะพูดอย่างนั้นได้แล้วก็หลวงตาท่านก็ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับกำแพงล้อมรอบ กำแพงของหลวงพ่อความยาว6กิโลกว่า6กกิโลกับเจ็ดร้อกว่าเมตรค่าใช้ใจ่ายลงตาเป็นผู้ให้การสนับสนุนลงตาเมตตาให้ค่าสร้างกำแพงหมดไป20สกว่าล้านนะอย่างเฉพาะกำแพงของหลวงพ่อสูงสองเมตรห้สนะอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อท่านชิดกับท่านเฉลิมมาอยู่ที่นี่ท่านเฉลิมไปอยู่ที่วัดสามแยก แต่ท่านชิดมาอยู่ที่ดงคอองค์หลวงตาท่านก็ให้การสนับสนุนก็พยายามซื้อที่ท่านชิดก็พยายามเข้าไปกราบเรียนองค์หลวงตาว่ามีความจําเป็นหรือว่าที่เขาจะขายองห์หลวงตาก็ให้ เ, เงินมาท่านชิดก็ขยายเนื้อที่วัดแห่งนี้ห้าพันกว่าไร่ขณะนี้นะห้าพันกว่าไร่แล้วก็วัดสามแยกที่ท่านพระอาจารย์เฉลิม ไปก่อสร้างอีก3 0 0พันกว่าไร่เพราะนั้นองค์หลวงตาให้การสนับสนุนทั้งสองวัดเนี่ยันกว่าไร่นะตามที่รายงานมานี่นะเป็นเงินทั้งหมด4่ล้านกว่าเขาว่า4ล้านกว่าใกล้กเราคงจะทำถนนหนทางบางังซื้อที่บงังทุกอย่างในการใช้มีเมื่อมีความจำเป็นในสมัยนั้นนะก็ เมื่อท่านปลูกป่าขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดแต่พวกเราก็เห็นเป็นป่าที่สมบูรณ์หนาแน่นขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์หน้าภาคภูมิใจอย่างมากถ้าจะว่าไปแล้วที่ถางป่าก็ถางไปจะทำไงที่ทํามาหาเลี้ยงชีพนะแต่ที่ที่ควรที่จะเป็นปอด เป็นที่อยู่เป็นป่าให้สมบูรณ์ก็น่าจะมีอย่างหลวงพ่อว่านะแต่หลวงพ่อชิดท่านมาอยู่ที่นี่หลายปีผลที่สุดท่านก็ได้เป็นกำลังเกี่ยวกับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตาที่ท่านประกาศ ช, ช่วยชาติท่านท่านชิดเองก็เป็นกำลังท่านหนึ่งกับหมู่คณะเคียงบา่าเคียงไหลกัน พอจบสิ้นจบในการช่วยชาติหาทองช่วยชาติแล้วต่อมาองค์หลวงตาท่านก็ได้ทำสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในที่สถานที่ต่างๆหลายแห่งเดี๋ยวนี้ทราบว่าประมาณร้อยกว่าแห่งแต่ของหลวงพ่อ กัพึ่งทําเสร็จไม่กี่วันมานี้เองเดี๋ยวนี้กําลังก ร, กระจายเสียงอยู่24ชั่วโมงนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปถวายองค์หลวงตาเพียงว่าเป็นการทดลองอยู่เดียเ๋ยวนี้และก็หลายๆแห่งแต่ท่านชิดก็ท่านก็ให้การสนับสนุนจุดนี้ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ต่างองค์ต่างให้การสนับสนุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพราะว่าเสียงธรรม เป็นเสียงที่ร่มเย็นเป็นสุขไปอยู่ณสถานที่ใดถ้าว่ามีธรรมในจิตในใจแล้วคนทั้งหลายอยู่ด้วยกันก็สงบร่มเย็นผาสุขถ้าธรรมอยู่ที่ใดมากๆ ม, มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพจนั้นให้ทำการให้ธรรมเป็นทานพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง คือการให้จะเป็นให้เงินให้คำทรัพย์สมบัติให้อาหารการบริโภคให้อะไรก็ตามสู้ให้ทาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นคือให้ทมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคือให้รมเป็นทานก็คือให้ความคิดชี้หนทางที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ยังมืดบอดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นปุตุชน ท่านผู้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้ทานอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้นะภาวนาอย่างนี้นะให้พิจารณาอย่างนี้นะให้ปล่อยวางอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นตามขั้นตอนพวกเราท่านทั้งหลายก็ปฏิบัติตามทำคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้รู้ได้เห็นมาแนะนําสั่งสอนพวกเราพวกเราก็ได้ถึงมรรคถึงผลถึงแดน แห่งความเกษมคืนแดนพศทุก์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนไหวาตายเกิดอันนี้แปลว่าให้ทําเป็นฐานถ้าผู้ใดปฏิบัติอย่างนั้นได้มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขน้อานิสงในการให้ทําเป็นฐานเป็นเป็นผู้มีอานิสงมากเพราะนั้นท่านชิดี่องค์หนึ่งท่านก็เห็นว่ามีคุณค่าในการสร้างสถานี ท่านก็ได้ไปทำช่วยหมูพวกเพื่อนลหลายๆแห่งแต่มาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18มิถุนา2550ท่านก็ได้ประสบอุบัติเหตุที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบศรีขันธ์เนี่ยไปพร้อมกับอาจารย์อาจารย์เฉลิมที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งรถไปก็รถมันรื้นถนนฝนตกวันนั้น ก็เลยท่านให้ทําให้ท่านประสบอุบัติเหตุมรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2550ขณะนั้นวันนั้นท่านมีอายุ54ปี54ปีอายุของท่านก็น่าเสียดายนะกำลังถ้าจะว่าไปแล้วก็กำลังกำลังรุ่งโรดกําลังโดดเด่นเพราะงั้นกำลังดังเพราะงั้นอ่ะ แต่จะทำยังไงได้พยามัจุราชกับกระชากอาไปเสียแล้วพันษาของท่านกับ9ี่าพันษาแล้วก็ได้รับการประชุมเพลิงน้ำเมนชั่วคราววัดป่าภูริตตะปฏิปทารามอาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2550คือวัดหลวงปู่แย่นั่นะที่ประชุมเพลิงในวันนั้น มาพูดถึงเมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พี่น้องทั้งหลายมีหลวงพ่อเป็นต้นว่างั้นก็ได้พูดการว่ากระดูกหรืออธิทานของท่านพระอาจารย์ชิดนี่จะทำอย่างไรหลวงพ่อเองก็แสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าท่านชิดก็เป็นพระผู้ใหญ่อายุยี่สิบเก้าพรรษาเอ่อเป็นถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง มีรวามามากถขาดนี้แต่ถ้าว่ารัชท่านเองก็เป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์แห่งนี้พวกเรามาเห็นแล้วก็ อ, อย่างศาลาหลังนี้หรือว่าการเป็นอยู่หรือพื้นที่ท่านก็ให้การทุ่มเทอย่างสุดชีวิตของท่านที่ได้รับมอบหมายมาจากกองหลวงตาจากนั้นท่านก็ได้คำปคุนประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่าง ช่วยหาทองเรื่อสร้างสถานีอย่างที่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วท่านพระอาจารย์ชิดท่านชิดเนี่ยที่ไปดูสถานีไปที่วันอุปสมบทเหตุก็คือไปดูสถานีสถานีมีปัญหาฟ้าผ่าแล้วก็จะไปปรับปรุงแก้ไขกับพระอาจารย์เฉลิมพอไปยังไม่ถึงก็ประสองค์อุบัติเหตุก่อนถ้าจะว่าไปแล้วท่านชิดตายในครั้งนี้พระอาจารย์ชิดตายในครั้งนี้ตายในสนามเพราะก็ว่าได้ ตายในเหตุการณ์เรือว่าตายในราชการไปในราชการไปธุระในราชการก็ว่าไดา้เพราะฉนั้นพี่น้องทั้งหลายหมู่สหธรรมมิตรทั้งหลายที่รักเคารพถือว่าท่านเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพวกเราท่านได้ไปช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ช่วยประชาชนญาติโยมท่านตายในหน้าที่ถ้าท่านอยู่ในวัดท่านอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้เพราะ หรืออาจจะตายก็ได้ถึงคราวแล้วว่ากันเถอะมันได้ทั้งคิดได้ทั้งสองอย่างแต่บัดนี้มันสุดวิสัยแล้วที่ท่านพรณะภาพไปเมื่อเราประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้พิจารณากันว่าเราควรจะทํำยังไงแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงองหลว ง, งตาท่านก็ได้พูดว่าการที่จะสร้างสัตว์และเจดีย์มันจุ อธิธานก็จะต้องเป็นถูประหะบุคคลสี่จำพวกคือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้ า, พ ร, รจ า, พ, รจาพระอรหันตสาวกพระเจ้าจั ก, กรพัตนคือทั้งสามท่านนั้นคือพระพุทธเจ้าพระปฏิเจ้พระอรหรันตอันนั้นไม่มีความไม่มีความหมายแปลว่าสสูงสุดอยู่แล้วเพราะท่านเป็น พระอารหันต์หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วพ้นจากโลกไปแล้วแ ต, แต่นอกนั้นการลงมาก็คือพระเจ้าจักรพรรดิยังเป็นผู้มีกิเลสอยู่แต่ทําไมจึงให้สร้างสถูปพระเจดีย์พระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านทําคุณประโยชน์ให้แก่โลกอย่างมากในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ควรจะทําสร้างสัตูตพระเจดีขึ้นมาให้คนได้ไปกล่าวไปไหว้บอกเนี่ยท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกขนาดนี้ท่านทําตนอย่างนี้ท่านจึงได้มีความสุขอย่างนี้อยากจะให้โลกทั้งหลายถือท่านเป็นตัวอย่างให้ถือพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นตัวอย่างเพราะนั้นใครไปกล่าวอธิธาติของพระเจ้าจากักรพรรดิท่านว่าได้บุญได้กุศล อันนี้ก็คือการสร้างสัตวประเจดีกันนอกนั้นแล้วไม่ควรแต่ถึงมาพูดถึงท่านพระอาจารย์ชิดของเราก็ไม่มีใครที่อยรับรองไลยว่าท่านเป็นปุตชนหรือท่านเป็นพระอรหันต์หรือว่าท่านเป็นพระเสขะระดับไหนสกตานาคามมหรือสกทาคามีหรือหรือปโสดาบันหรือหรือเป็นพระปุตชนก็ไม่มีใครที่จะทำนายถ่ายทักท่านได้ แต่ถึงยังไงก็ตามเรามองในในมุมหนึ่งบอกว่าท่านชิดเป็นผู้มีคุณประโยชน์อายุพรรษาท่านก็มากและท่านก็เป็นเจ้าสำนักแห่งนี้สมควรพวกเราพี่น้องทั้งหลายญาติโยมตลอดถึงญาติโยมควรจะสร้างอนุสรสถานขึ้นมาขนาดย่อมย่อมขนาดย่อมย่อมก็คงจะไม่ใหญ่แต่ทราบข่าวว่าแปลนออกมาแล้วท่านพระอาจารย์พันป้อาจารย์เฉลิมเอามาให้หลวงพ่อดู พอไม่ใหญ่4คูณ4ท่ตนเองเอ่<ม>ความความกว้างของเจดีย์ข้างในนะแต่จะว่าไปแล้วขนาดย่อมแต่ข้างบนก็คงจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ธาตุพระอรหันต์อยู่ชั้นข้างบนยอดเจดีย์แต่ชั้นล่างก็คงจะเป็นคงจะไม่ถึงกับรูปเหมือนแล้วก็คงจะเป็นรูปภาพหรืออัฐบริขารบางส่วน แล้วกอธิธาต์ของท่านก็คงจะเก็บไว้ข้างล่างในเจดีอันนี้ก็ยังไม่ได้ปรึกษากันแต่หลวงพ่อเป็นคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นในเจดีนี้เพราะนั้น เ, เมื่อพวกเราเห็นว่าท่านชิดท่านก็มีอายุพรรษาอย่างที่ยังได้กล่าวแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ แกวงการพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพี่น้องทั้งหลายเห็นคุณค่าท่านพระอาจารย์ชิดเนี่ยน้องเป็น พ, พี่ พ, พี่น้องๆเราเนี่เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านล่วงลับไปท่านก็เลือกไม่ได้ที่วันจ ะ, จะตายวันไหนขนาไหนตายอย่างไรแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราในฐานะพี่น้องเราก็ควรจะล้ำลึกหรือว่าจัดเป็นอนุสร์สถานขึ้นมาสักแห่งหนึ่งย่อม เพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้มีวันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมีวันนี้ขึ้นมาก็เพื่อรวบรวมจะตุปัจจัจากศรัทธาญาติโยมจากหมู่พวกเพื่อนพี่น้องอใครจะถวายหรือว่าใครจะมอบยังไงให้แก่วัดแห่งนี้ก่อได้จัดขึ้นมาก็คือผู้ที่รับเป็นภาระก็คือเจ้าวัดเะ ที่รักษาการด้วยว่าเจ้าอาวาสที่แทนท่านอาจารย์ชิดอยู่นี่ก็คือเป็นเพื่อนกันกับท่านปายชิตมาริเริ่มสร้างวัดด้วยกันคือพระอาจารย์พิมพาฮะอาจารย์พิมพาพวกเราถาาว่าผู้ใดสนใจอยากจะถวายมอบจิตุปัจจัยให้แก่จะสร้างอนุสรสถานแห่งนี้มาโอ้ขราวนี้ยังไม่ได้ถือมาแล้วก็อาจาจะจดเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วก็ติดต่อมาภายหลังก็ได้ แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าอยากจะให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานของเราให้ความสนใจอยากจะให้มันเสร็จไปแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในเจดีแห่งนี้หลวงพ่อก็ได้ถามท่านพระอาจารย์เฉลิมและพระอาจารย์พิมพาบอกว่าน่าจะสองล้านหถึงสล้านน่ะน่าจะเสร็จได้เพราะไม่ใหญ่ความสูง1 9เ้ามตรอาจารย์เฉลิมบอกว่า ก็คงใจเป็นยอดที่แหลมขึ้นไปนะอันนี้ก็ค่าใช้ใจ่ายเรืวยว่ากร ะ, ะตุกปัจจัยนั้นก็ยังไปไม่เป็นก้อนเป็นกลุ่มก็ยังกระจัดกระจายกันอยู่เพราะนั้นวันนี้ละวันพรุ่งนี้ละเราจะเป็นจะทอดผ้าป่าเพื่อสมทบเป็นก้อนแรกเพราะนั้นวันนี้ต้องพวกเราศรัทธาญาติโยมเรือว่าหมู่พวกเพื่อนได้ยินแล้วก็ ให้คิดไว้ในใจด้วยว่าจะร่วมสมทบเจดีของพระอาจารย์ชิดในครั้งนี้เท่าไหร่นะหลวงพ่อก็ได้คิดไว้เหมือนกันนะหลวงพ่อจะสม ท, มทบสมทบเท่าไหร่ข้อแรกประกานเด้อเพื่อให้เจดีของท่านอาจารย์ชิดนี่สำเร็จรุ่งร่วงไปโดยดีเป็นอนุสรสถานแต่ก็บรรจุพระบรมศาหลี <S <S <S 2> <S 2> ลิกธาตุเบื้องบนเจดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะฉะนั้น การทอดพระป่าหรือว่าการจัดงานในวันนี้ถึงจะพวกเราจึงถึงจะน้อยนิดบางตาสําหรับศรัทธาญาจโจงหลวงพ่อว่าวันพรุ่งนี้ก็คงจะมาอุ่นหนาฝาคั่งและกับพระกูบาอาจารย์ก็ไม่มากไม่น้อยถึงขนาดนี้หลวงพอว่ออุ่นหนาฝาคั่งเหมือนกันและกับ พ, พวกเราก็ควรมจะหลอมจิตใจให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อจะให้เจดีนี้สาเร็จร่วม่วงไปได้นะแต่ว่าพวกเรามองอย่างที่หลวงพ่อมองเนี่ยเออก็ไม่ใช่ว่าจะเวอร์เกินไปหรือว่าจะดูถูกเหยียบย่าเกินไปก็คงจะไม่เหมาะสมกับมังหลวงพ่อว่านะถึงยังไงก็คงจะจัดเป็นอนุสรณ์สถานเออเป็นที่ลำเลึกที่วัดแห่งนี้เพ่าพว่นวัดกับหลวงพ่อก็ได้ประกาศไปแล้วเนี่ย ห้าพันกว่าไร่ไม่ใช่วัดน้อยไม่ใช่สำนักสงน้อยอแล้วก็ท่านก็ได้ทำคุณประโยชน์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนะอันนี้ก็คือที่พวกเราจะจัดงานในวันนี้และก็พร้อมกันพวกเราได้มาทำบุญหรือว่ามาลํำลึกถึงท่านเชิดก็ให้นึกถึงตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะตายแต่ท่านชิดนะพวกเราทุกอง จะกลับไปถึงวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้หลวงพ่อคิดอย่างนั้นนะพอกลับไปถึงวัดเออเข า, านี้ไม่ตายวะไม่ตายกับรถนะอาจจะตายอย่างอื่นหลวงพ่อได้คิดอยู่อย่างนั้นไว้เสมอเพราะว่ามรณงเมพาวิสติคํานี้เนะี่ยไม่ได้เลือ ก, การสถานที่เว ล, เวลาพร้อมที่จะลมหายายจากไปทุกแห่งหนไปอยู่ถสถานที่ใดก็พร้อมที่จะาตายได้ พราฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านอยู่น่าจะฐานที่ใดก็ให้เตรียมพร้อมให้สั่งสมบุญกุศลให้อยู่ในจิตในใจของพวกเราเพราะพวกเราเกิดมาหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกบอกว่าเนี่ยยมัระทุดเขาเขียนวีซ่าไฟให้เราแล้วน ะ, เ, ะเขาออกเขาเตรียมวีซ่าไว้ให้เราแล้ววันดีคืนดีท่านขอม่ได้บอกว่าอายุแกเท่าชรามากน้อยแค่ไหนไม่มีกําหนด วันดีคือดีเขาส่งวีซ่ามาให้เราได้รับวีซ่าแล้วเราก็จะต้องเดินทางต่างประเทศ<ม>เพราะกลัมของเรามาถึงแล้วการกระทําอดีตในชาติของเราได้เก็บสะสมมาแล้วเขาบอกให้เชิญกลับต่างประเทศได้แล้ว <c oughs> เราจะต้องไ้กลับต่างประเทศบางคนไม่ได้เตรียมพร้อมเอาไว้ขณะที่มาเกิดไม่ไม่เชื่อว่าตายแล้วสูญ ตายแล้วเกิดอีกต่างหากคิดว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วไม่เกิดก็ไม่ได้สนใจต่อคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นวันวั น, วนกินเป็นวันวันอยู่เป็นวันวันสนุกสนานเพลิดเพลเทหาเป็นวันวันอันนั้นแปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากตามแนวแถวของนักปราชญ์คือคําทำสังสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าท่านผู้ น, นั้นคนอย่างนั้น บุคคลนั้นเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากเพราะนั้นพวกเราท่านทัน้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาธรรมะจากทมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกรั้นพวกเรามีวันนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นพูดอย่างนั้นได้วันนั้นก็คือวันตายนั่นเองไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนทุกท่านพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายเออ ของพวกเราท่านตายเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นมามากต่อมากแล้วพวกเราจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้ยังไงพวกเราจะต้องเดินตามแนวแถวที่ปู่ย่าตายายที่ท่านจากไปเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลการสั่งสมบุญกุศลนั้นไม่ใช่ว่าเราจะควักเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาทาบุญทาฐานไม่ใช่อย่างนั้นเราไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอน หรือปฏิบัติบิดามารดาของตนเองดูแลข้าวน้าโภชนาะอาหารเสื้อผ้ายาแก่โรคภัยไข้เจ็บที่หลับที่นอนของท่านกัรล้วนแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเราปฏิบัติพระอาหารหันต์อยู่ที่บ้านก็คือพ่อแม่ของพวกเราแต่ละท่านจากนั้นเราก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนารักษาศีลล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทางนัก อันนี้แปลว่าผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตางว่าผู้ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วไม่เชื่ออีกต่างหากเพราะไม่เชื่อแล้วก็ไม่ได้สนใจอยู่เป็นวันๆกินเป็นวันๆสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาเป็นวันๆอันนั้นแปลว่าไม่เกิดประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้เจอได้มาเจอพุทธะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขออย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญ ต, ตายแล้วเกิดอีกเพราะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านอยู่ปานงพงภัยท่านพิสูจน์มาแล้วถ้าว่าพวกเราอยากจะพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญหลักพิสูจน์ก็มีอยู่เพราะพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแล้วสอนอีกวางแนวเอาไว้อยู่เขียนแผนที่ไว้ให้พวกเราศึกษาอยู่เราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญนั้นเราให้นั่งภาวนา นั่งภาวนาและกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าออกและจิตของเราเข้าสู่ความสงบจิตเข้งเราของเร า, ข, เราเข้อเป็นสมาธิเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่ง เ, เป็นคนละอ่านกันมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่มันอาศัยกันอยู่เหมือนกับจานหรือมะม่วง มะม่วงกับจานไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายกับใจนั้นคนละคนละอันกันเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือรถกับคนขับรถรถไม่ใช่คนขับคนขับไม่ใช่รถแต่อาศัยกันอยู่แต่ถ้าว่าคนไม่ขับรถมันก็ไม่ขยับถ้าว่าคนเข้าไปขับรถมันค่อยขยับวิ่งได้ ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือนา ม, มาธรรมตัวนา ม, มาธรรมนั่นคือคนขับรถรู ป, ปรธรรมคือร่างกายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมองเห็นกันอยู่นี่เหมือนกับรถแต่จิตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่รู ป, ปรธรรมขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่แปลว่ารู ป, ปรธรรมมองเห็นกันแต่ในหลักของพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้า ไปศึกษานั้นเพราะพระธเจ้าสนใจเรื่องนามธรรมคือจิตใจมากกว่าเพราะจิตใจเป็นหัวหน้าธถ้าไม่ได้สุดสนใจเรื่องรถเท่าไหร่ท่านสนใจเรื่องคนขับรถถ้าว่าคนขับรถเมื่อขับรถไปแล้วเอไม่พอใจพอใจไม่พอใจเมื่อเกิดอารมณ์โมโหโทโสหรักพวงมาลายเหยียบคันเร่งลงไปในเหวในบ่อชนคู่ชนคนเหยียบคู่เหยียบคนไปในทางไหนก็ได้ แต่ตามลำพังถ้าอยู่ตามลำพังรถมันก็อยู่ตามลำพังมันก็ไม่มีอะไรไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าว่าคนขึ้นไปบนรถแล้วเหยียบคันเร่งเข้าไปหรือจะทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้รถมันไปเฉียวไปชนไปทำอันตรายให้แก่ใครเพราะนั้นโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมอย่างดีให้ต้องฝึกอย่างดีว่าอันไหนเสียหายอันไหนไม่เสียหายอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษ คพะนั้นจ้องได้รับการอบรมโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมอย่างดีให้เป็นผู้มีคุณภาพให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมให้จิตใจเยือกเย็นให้เป็นผู้มีเหตุมีผลเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาในท่านสอนใจเป็นใหญ่ใจคือโซเฟอร์นั่นและออให้มีศีลมีธรรมให้มีสมาธิธรรมในเมื่อมีมาธิธรรมแล้วจะมองเห็นร่างกายตัวเองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่ง ส่วนจิตใจนั้นเป็นอันหนึ่งเป็นคนละอ่านกันเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะให้นั่งสมาธิไม่สงวนลือกสิทธ์ว่างั้นเถอะเพราะพระุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนแล้วท่านบอกแล้วว่าให้พวกเราดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ หลักของพุทธศาสนาเนี่ยให้เน้นหนักเรื่องใจเป็นใหญ่ร่างกายนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งตายแล้วไม่สูญเลยอันไหนที่ไม่สูญคือจิตใจจิตใจนะไม่สูญพอออกจากร่างนี้โซเฟอร์ก็จะต้องไปหาซื้อรถคันใหม่เนีย้ายออกจากคันนี้ไปแล้วคันนี้มันพังแล้วมันหมดสภาพแล้วมันผุพังไปแล้วโซเฟอร์นั้นก็ต้องออกจากร่างออกจากรถคันนี้ไปหาซื้อคันใหม่ถ้าว่าโซเฟอร์มีเงินนะแต่ถ้าว่าโซเฟอร์ มีแต่ขับรถขาเขี้ยวกินเหล้าเมายาสุรานารีสมทเลเทเม า, าแต่ละวันละวันไม่ได้คิดอนาคตของตนเองหรือไม่ได้สั่งสมเงินไว้เลยคิดว่าจะขี่รถคันนี้ไปเป็นวันๆพอรถคันนี้มันประสบอุบัติเหตุแล้วว่ารถคันนี้มันพังลงไปโซเฟอร์นั้นไม่มีหวังที่จะซื้อรถคันอื่นได้อีกเอต้องย่ำต๊อกหรือว่าต้องเดินอ เพราะเหตุใดเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ขนขวายเขาไม่ได้ใส่ใจเขาไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้หาเงินเอาไว้นี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตายและไม่ศูนย์อย่างที่ว่าวิญญาณออกจากร่างแล้วจะไปในภพภูมิต่างๆถ้าเราได้วีซ่าไปแล้วทีนี้เผลอๆไปถึงภพหน้าชาติหน้าเไม่มีวีซ่าที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก เพิ่มเพิ่มวีซา่าตอนนั้นหายอีกเท่าไหร่เพราหายเกือบกลับมาเท่านี้มาเกิดเป็นสัตติรชานนะท่านี้เพราะว่าวีซ่ามันหายมันไม่ได้มาเกิดมาเกิดเป็นสัตติรชานช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นได้ทั้งนั้นเพราะเหตุไลไยเพราะคนไม่มีบุญถ้าคนมีบุญแล้วเลือกเกิดมาเลือกเกิดได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราพระาราหันสาวกพระพุทธเจ้าที่ชั้นอยู่ชั้น ดูสิตนะ่ะท่านจะลงมาเกิดท่านมองดูแล้วท่านจะไปเกิดที่ไหนเกิดมาคราวนี้มีความหมายอะไรพระพุทธเจ้าท่านมองแล้วท่านก็มาเกิดตามที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้อย่างพระหันสาวกก็เหมือนกันที่ท่านเป็นผู้มีบุญแล้วท่านมาเลือกเกิดได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ฟังทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างลุงพ่อพูดครูบาอาจารย์ไม่สงวนลิขิตเมื่อกั้นพระพุทธเจ้าไม่สงวนลิขิตพวกเราพร้อมที่จะปฏิบัติได้แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติได้แล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกได้ในเมื่อลมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาประพฤติปฏิบัติมา จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งในเมื่อรู้แล้วอย่างนั้นทน่นี้เอ่อเราก็รู้ได้ไม่ต้องถามใครในเมื่อจิตสงบแล้วเราเชื่อมั่นในตนเองว่าตายแล้วไม่สูญแน่เพราะเหตุไรเพราะว่าเราเห็นชัดเจนในความรู้สึกของเรารถกับคนขับรถเป็นคนละอันกัน จากนั้นพระพุทธเจ้าไม่ให้เห็นเพียงแค่นั้นเห็นเพียงแค่นั้นก็ยังลุ่มห ล, ลงมัวเมากับร่างกายตนเองได้ท่านก็ให้พิจารณาร่างกายของเราท่นี้ร่างกายของเราทุกขั้นเนี่ยตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ในนี้เกสาผมโลมาขนหนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังอันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้แก่พระที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาวันแรก พระ อ, อุปชาต้องสอนให้พิจารณาเนี่แหละคือกรรมฐานให้เจ้าพิจารณานะเกษาผมเป็นยังไงสมัยเป็นน้อยหนุ่มกว่าผมดำพอเท่าแกชราแล้วก็เห็นไหมคนผมหงอกผมขาวต่อมาฟันเป็นยังไงถ้าเมื่อเป็นหนุ่มเป็นน้อยปนหนุ่มก็ฟันเต็มปากฟันขาวต่อมาก็ฟันเหลืองอ่อยต่อมาก็ฟันสุดกดไม่มีฟันในปากเลยเป็นยังไงคนที่ไม่มีฟัน ตาโจหนังเป็นยังไงสมัยก่อนเป็นน้อยหนุ่มพวกหนังตึงตังก็น่ารักผูดผ่าดเห็นแล้วก็บาดตาคนที่มีกิเลสราคะแต่ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชราแล้วหนังเหี่ยวหนังย่นเป็นยังไงหลังค่อมเป็นยังไงสวยงามไหมนี่แหละให้เจ้าพิจารณานะให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะเจ้าจะพิจารณาแต่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้น ต่อไปในอนาคตคนเท่าแก่ชราเป็นยังไงอันนี้คือพระพุทธเจ้าสอนพระที่บวชใหม่ไม่ใช่แต่สอนพระอย่างเดียว เ, เมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดขนาดนี้ก็ให้น้อมนึกคิดไปตามที่หลวงพ่อได้กล่าวจริงไหมคนเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บตายกรรมฐานห้าสำหรับต่อสู้กับการมกิเลสกิเลสราคะตัว น, นี้สาคัญมากโทสะ กับราคะราคะซะก่อนโมหะเป็นพื้นฐานคือโมหะเนี่ยแต่ถ้าหางว่าไม่หลงก็จะไม่เกิดราคะถ้าไม่หลงก็จะไม่เกิดโทสะหลงสะก่อนจึงเกิดราคะโทสะพระอนาคามีท่านชําระความโกรธกับราคะออกจา ก, กจิตใจข อ, ของท่านได้คือราคะกับโทสะนี่กระเด็นออกพร้อมกัน แต่ยังเหลือแต่โมหะโมหะเนี่ยท่านชำระไม่ไม่หมดแต่ท่านมรรณภาพาไปก่อนท่านก็ขึ้นไปอยู่พรมสุทธวา้าชันไปชำระอยู่ที่ที่พรมพอชำระที่นั่นแล้วท่านก็เข้าสู่นิพพานท่านไม่มาเวียนไหวาตายเกิดในวัะสงสารอีกลงพ่อสรุป อ, อกง่ายๆบกว่ากามกคิเลตไม่ใช่ธรรมดา ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายบกวนเวียนมาเกิดเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารนั่นคือกามากิเลสกามาราคะแล้วกัโทสะเนี่ยเป็นเป็นนออ้องเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันพอชําระกามละคะขาดตนเองโทสะก็กันเด็นออกไปเหมือนกันยังเหลือแต่โมหะเพราะฉนั้นการที่จะชําระอย่างนี้ได้ก็ทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาให้พิจารณ า, า, รณาเกสา ของไม่เทียงโลมาขนของหน้าขาเล็บประของไม่เทียงถ้าเราไม่แคะไม่ล้างมันก็สกปรกหน้าขาเล็บทันตาฟันอยู่ในปากของเราตะโจหนังให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนะสิ่งตนนัวนี้ไม่ใช่ของสวยงามนะหลงพ่อมแบบพูดแบบง่ายๆนะพระพุทธเจ้าท่านให้ประทานประทานอาวุธให้เหมือนกันให้สู้กับกิเลส ตัวกรรมมาลาคะประธานอาวุธให้เปินลูกซองห้านัดมันงันเถอะกิเลสราคะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้เจ้าจิงเลยนะเงี้ยพระพุทธเจ้าวะให้พิจารณาเลยถ้าเรามีทำอยู่ในจิตในใจเห็นของเหล่านั้นแล้วความกำหนัดยินดีจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อเราเห็นอสุภะเห็นผมก็ไม่เป็นอย่างนั้นขนก็เป็นอย่างนั้นเล็บก็เป็นอย่างนั้นฟันก็เป็นอย่างนั้นหนังก็เป็นอย่า ง, งานั้น เออทะลกหนังเข้าไปเป็นอย่างไงอีกท่ไหรเนื้อเอ่งกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเป็นอย่างไงในร่างกายของเราเป็นของสวยงามใช่ไหมถ้าพิจารณาดูให้ดิงแล้วเออเราพิจารณาดูให้ดีจ้เออถ้าว่าเราแยกแยะนะเออเราถอนผมของเราไปไว้กองหนึ่งถอนขนของเราไปไว้กองหนึ่ง ถอดเล็บของเราไปไว้กองหนึ่งถอดฟันของเราไปไว้กองหนึ่งถลกหนังของเราไปไว้กองหนึ่งเอาตับไปไว้กองหนึ่งเอาปอดไปไว้กองหนึ่งเอาลำไส้ไปไว้กองหนึ่งเอาเนื้อไปไว้กองหนึ่งเอากระดูกไปไว้กองหนึ่งอันไหนมนุษย์สวยงามไหมพิจารณาดูให้ดีนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนนะให้แยกแยะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วกิเลสราคะ มันก็จะไม่เกิดความกำนัดยินดีขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงนี่แหละกิเลสตัวราคะจะกระเด็นกระดอนออกไปจากจิตใจของพวกเราถ้าว่าเราจะพิจารณากระดูกเท่เนะกระดูกของข้องเราคนเราที่พวกเรานั่งนั่งอยู่ที่นี่มีโครงกระดูกเป็นโครงสร้างใช่ไหมหรือไม่ใช่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วต้องว่าใช่เรามีโครงสร้างคือกระดูกอยู่ข้างใน ถ้าหากว่าไม่มีกระดูกอยู่ข้างในมันมีตัหนังเออมันก็เหมือนกับกระเป๋าหนังที่มันใส่น้ำํำกองอยู่ในนั้นนหละมันไม่มีอะไรอยู่ข้างในอันนี้ที่มันพยุงอยู่ได้เดี๋ยวนี้ก็คือกระดูกเราเพิจารณาดูซิว่ากระดูกมีอะไรบ้างกระโหลกศีรษะหาเป็นเนี่ที่อยู่เมื่อมบนจากนั้นกระโหลกศีรษะเป็นอย่างลักษณะอย่างไงมีเบ้าตามีจมูกมีปากมีขากรรไกรเออมีฟัน จากนั้นก็มีคอมีข้อกระดูกในคอเป็นข้อข้อนะคือมันต่อกับศีสะจากนั้นลงมาก็หายปาระต่อมาแขนซ้ายแขนขวาแขนขวาเป็นยังไงแขนซ้ายเป็นยังไงข้อศอกเป็นยังไงมีกระดูกสองซี่จากนั้นก็มีนิ้วมื อ, เ, อ, อเป็นชี้อๆออกมากระดูกห้านิ้วเป็นยังไงหนูในร่างกายของเราทั้งทั้งซ้ายและขวา จากนั้นก็มาดูพิจารณาถึงโครงกระดูกอีกใ น, ในตัวของเรามีไหาปาร้าและก็มีชี้โครงมีกระดูกสันหลังเป็นข้ อ, ขอกระดูกชี้โครงย้มออกมาจากกระดูกหลังและก็มาโค้งมาถึงหน้าอกและก็มีกระดูกอ่อนตรงหน้าอกอีกจากนั้นก็มันคุ้มครองพวกตับไตลำไส้ปอดหัวใจที่อยู่เป็นที่มันหุ้มเอาไว้ ถ้ามาอย่างนั้นถ้าไม่มิไม่มีกระดูกหุ้มมันเกิดคงจะเหลวเละไปหมดเพราะนั้นจึงมีกระดูกหุ้มเป็นโครงกระดูกจากนั้นก็ลงไปถึงเอวไปถึงขาไปถึงสะโพกไปถึงขากระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าเราไม่ต้องพิจารณาอย่างอื่นให้เราเห็นกระดูกเท่านั้นให้เห็นเป็นโครงกระดูกเท่านั้นเราก็จะพิจารณานี่แหละร่างกายของเรามีแต่โครงกระดูก เป็นร่างอาหารของพวกเราก็เหมือนกันที่พวกเราบางทนก็กลัวผีอย่างเนี้ยกลัวผีคำว่ากลัวผีเนี่ยกลัวซากศพตามไม่จริงซากศพอยู่ในท้องของเราไม่รู้เท่าไหร่อันนี้แหละคือป่าช้าที่ฝังจบข้างหลายก็คือในท้องของเราเราพิจารณาดูให้ดีกันแล้วกันนะไม่รู้ว่าทั้งบัวทั้งควาย ทั้งหมูหมากาไก่ทั้งปลาทั้งกบทั้งเขียดอยู่ในท้องของเราเนี่ยแต่ละวัน เ, นเท่าไหร่นี่แหละเรานอนเฝ้าอยู่ปลาช้าของเราอยู่ในท้องเนี่ยนี่แหละปลาช้าที่ฝังศพใหญ่ที่สุดคื อ, คอท้องของพวกเราเนี่ยเราพิจารณาดูให้ดีว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้อีกสักวันหนึ่งถึงเราจะเลี้ยง อิ่มหมีผีมันทนุถนอมถึงขนาดไหนอาบน้ําจําละกายให้ดีขนาดไหนทานอาหารให้ครบภาคหมูไม่ให้ขาดเลยตีขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอใครว่าเลี้ยงไม่เชื่องถึงข้าวแก่มันก็แก่ถึงข้าวเจ็บมันก็เจ็บถึงข้าวตายมันก็จะต้องตายมันบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่า ร่างกายสังขารเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงในสิ่งไหนของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราให้พิจารณนานณะร่างกายสังขารในร่างกายของเราเอาออกมาจากท้องแม่แท้ๆว่าเป็นของเราก็ยังไม่ใช่ของเรายังไม่เป็นตัวตนของเราเราจึงบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องเอาร่างกายของเราไปเผาไฟ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นออพอฝ่ายพระนี่กับไปกุสลามาติกาเผาศพเ พ, พนั้นเผาศพคนนี้ไม่เคยคิดว่าอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเผาศพเราอีกสักวันหนึ่งนะไม่ต้องสงสัยเลยเขาจะต้องเผาศพเราเพราะนั้นร่างกายสังขารไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะต้องนอนเราจะต้องเผาไฟทิ้งในเมื่อร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเรา แล้วทรัพย์สมบัติส่วนอื่นล่ะเอเลือกสวนไรน่นาเงินคําทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นของเราได้อย่างไรเพวันนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้พิจารณานะให้พิจารณาร่างกายอย่างที่ผมพูดหรือว่าอาตมาได้พูดเนี่ยเป็นแนวความคิดอันหนึง่งคือไม่ให้หลงไม่ให้หลงร่างกายไม่ให้หลงสิ่ง ที่มาเกี่ยวข้องกับกายขณะร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราเราจะไปหลงในสิ่งเหล่านั้นมันก็ทุกเฉยเฉยทุกใจเฉยเฉยเพราะฉะนั้น พ, พระพุทธเจ้าถึงให้รู้ให้รู้เท่ารู้ทันให้ปล่อยวางการปล่อยวางปล่อยที่ไหนปล่อยวางที่ใจนะป ล, ปล่อยวางที่ใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวตนของเราณนะใจนะ เ, เป็นอเนจังทุกขังอนัตตานะ อย่างนี้คือปล่อยวางที่ใจเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราประพฤติปฏิบัติมาทุกทุกอย่างนะทั้ทงทานทาั้ทงศีลทั้งภาวนาทั้งปฏิบัติทั้งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปแล้วรวงมาที่ใจถ้าพูดธรรมะหรือว่าศึกษาธรรมะไม่เข้ามาสู่ใจแล้วไปว่าผิดที่ผิดทางแต่ถ้าว่าศึกษาธรรมะแล้วเข้ามาสู่จิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจ มันหลงอยู่ที่ใจมันรู้อยู่ที่ใจจะต้องปล่อยวางอยู่ที่ใจถ้าปล่อยวางแล้วนั่นแหละมรรคผลนิพพานไม่หาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความปล่อยวางถ้าไม่ถ้าไม่ปล่อยวางแล้วจะไม่เห็นมรรคผลและนิพพานก่อนที่จะเห็นจุดนั้นได้ต้องเริ่มมาจากสมาธิอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้น สมาธิเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งถ้าหาวานจิตใจของเราโป่งฟุ้งซ่านจิตใจไม่เป็นหนึ่งแล้วเราเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านจด ท, ทาญาินยมทุกคนนะที่มาทำพิธีหรือว่ามารวมกันในวันนี้เพื่อลำลึกถึงหลวงพ่อชิดที่หลวงพออ่อได้ยกบาลีขึ้น เบื้องต้นว่าสุขขาสังคัสสัสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สมให้เกิดสุขพวกเราถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันทำอะไรก็สำเร็จตู้ดวงไปได้แต่ถ้าว่ามีความแตกสามัคคีกันแล้วอย่าหวังเลยเอ อ, อย่างพ่อแม่อย่างสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถ้าว่าไม่เข้าใจกันแล้วครอบครัวนั้นมีแต่ความละสัมละสาย มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นความพร้อมเพียงสมรคีกันเนี่ยทำให้เกิดสุขร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าตาหูจมูกลิ้นกายอาวยัยวะทุกส่วนมีความพร้อมเพียงสมรคีกันคนนั้นร่างกายนั้นก็สงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าปวดตาซะปวดหูซะปวดฟันซะอย่างนี้แปลว่าฟันแตกสมรคีหูแตกสมรคีอย่างนี้ คนคนนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราความพร้อมเพียงสามัคคีเนี่ยทำให้เกิดสุขนะโดยมากหลวงพ่อจะไปนสถานที่ใดหลวงพ่อจะจะสอนคนหรือว่าแนะนำหรือพูดเป็นชาดกเพื่อจะให้จำง่ายนะคือความพร้อมเพียงสามัคคีหลวงพ่อได้ศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านปารับถึงพระโมกขรากับภาษาริบุตร พระโมคกรากับภาษารฤบุตรเมื่อเป็นครว่าต์ก็เป็นสหายกันในเมื่อมาบวชในพระพุทธศาสนานรื่บวชกับพระพุทธเจ้าภาษารฤบุตรไอ้เป็นอัครสาวกข้างขวาพระโมคราเป็นอัครสาวกข้างซ้ายแต่พระโมคกราเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ภาษารฤบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากแต่เมื่อสองพระอัครรสาวกนี่ไปที่ไหนไปด้วยกัน พูดกันอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความพร้อมเพีย ง, ยงสามัคคีกันเป็นเลิศแต่สมัยยุคก่อนก็เหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มาตรัสท่านเกิดใช้พบใช้ชาติในภพก่อนๆถึงมาถึงชาตินี้นะแต่ว่าชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านก็เป็นมิตรสหายกันในเมื่อมาบวชแล้วก็ได้เป็น อัครสาวกของพระพุทธเจา้าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วในความพร้อมเพียงสามคัคคีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงท่านแน่นแฟ้นอยู่แล้วทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี้พระพุทธเจา้าท่านบอกกล่าววันวันสมัยหนึ่พระโมกคลาภาษาลิบุตรได้อยู่กับพระพุทธองค์ท่านได้ลาออกไปวิเวกออกไปจําพรรษาข้างนอก ขโมกขาลาขภาษาริบุตรในพรรษาว่าเข้าไปกาบพระพุทธเจ้าขอไปจำพรรษาข้างนอกไปปลีกวิเวกพระพุทธองค์ก็อนุญาตอนุญาตท่านก็ทั้งสององค์ก็ท่านก็เดินไปเข้าไปในป่าไปในชนบทไปอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลาจากตัวเมืองเป็นสถานที่สงบวิเวกท่านก็เลยไปภาวนาด้วยกันสององค์ ไปอยู่ด้วยกันสององค์แล้วก็มีโยมชาวบ้านดูห่างไกลเห็นว่าพระสาวกทั้งสองเนี่ยมาอยู่ที่นั่นโยมนี่ก็เลยเข้าไปอาศัยอาศัยทานข้าวกลบบาทกินข้าวกลบบาทของพระเถระทั้งสององค์เพราะพระเถระท่านมีบุญบารมีอยู่แล้วไปนัสถานที่ใดเทวดาไม่เห็นมนุษย์ก็เห็นมนุษย์ไปเห็นเทวดาก็เห็นมืนกัน คำว่อดอยากไม่มีเมื่อท่านไปอยู่ในป่าดงพงภยัยสถานที่ใดอาหารการบริโภคก็พอเป็นไปไม่ฝืดเคืองเหมือนั้นเถะทีนี้มีชายคนหนึ่งเข้ามาปนิบัติแล้วก็รับใช้พระเถระทั้งสองพระเถระทั้งสองท่านก็ต่างองค์ต่างอยู่ภาวนาของท่านแบบอยู่ด้วยวิหารธรรมคือท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ ภาวนาเพื่อจะเผากิเลสแล้ววงั้นท่านพ้นทุกแล้วท่านก็อยู่ด้วยวิหารธรรมอยู่ด้วยความสบายภาวนาของท่านโดยมากท่านก็กำหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละย่อยอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกของท่านท่านก็ทำใจให้สบายสบายทีนี้คนกินเดนหรวอคนกินข้าวก้นบาทเอเห็นพระเถระสององค์ สามัคคีกันดีเหลือเกินเราจะยุโยงอย่างไงให้พระสององค์เนี่ทะเลาะกันคนเรามันแปลกนะมันจะสร้างบาปนะมันไม่ได้คิดอะไรมากนะเห็นความเห็นเขาพร้อมเพียงสามัคคีกันก็จะไปยุยงยุแยงให้เขาแตกกันอีกฮนี่แหละกิเลสตัวนี้มันหน่ามันหน่าคิดเหมือนกันนะแต่นี่ท่านไปยุแยงพระอารหันต์นี่สิยุแยงไม่เป็นที่เป็นทางเหมือนกัน่ะ ไปยุแยงพระอรหันต anyway, an ์คือพระสารีบุตรกับพระโมกคลาท่านก็ไปบอกกับพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคลาเนี่นะท่านพูดให้ท่านอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านว่าโอ้พระโมกพระสารีบุตรอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเออการประพฤติการปฏิบัติยังไงก็เรามองดูแล้วมันสู้เราไม่ได้หรอกทำไมทําอย่างนั้นก็ไม่รูกพระสารีบุตรเนี่ยนแหละท่านโมกคลาท่านพูดให้ท่านอย่างนี้นะ คือไปพูดกับพระภาษาล่บตรก่อนพระษาลิบตรก็รู้เออตั้งกระจกจากนั้นก็มาพูดให้พระโมคคลาฟังอีกท่านโมกคลาภาษาลิบบุี่ท่านพูดอย่างนี้นะท่านบอกโอ้พระโมกคลานี่ยมาอยู่กับเราก็นักอกนักใจเราไม่อยู่ในออสมมาคารวะ เ, ออเป็นยังไงก็ไม่รู้พระโมคคลาเนี่ย เ, เราเบือ่อเละเกินออท่านว่าอย่างนี้นะ ยุแยงให้พระโมคขาลากับภาษาริบุตรทะเลาะกันนถ้ามันผิดที่เห็นในพระโมคขาลาภาษาลิบุตรท่านไม่มี ก, กิเลสราคะโทสะโมหะอยู่แล้วท่านมีความเป็นปัญญารวนๆอยู่แล้วพระไทยของท่านใจของท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วจากนั้นวันหนึ่งท่านก็เลยเข้ามาท่านก็เลยมาถามว่าเอ๊ะท่านภาษาริบุตรไอ้คนกินข้าวก้นบาตเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นนะท่านได้พูดอย่างอย่างที่ ที่เขาพูดไหมภาษาไรโบต์ก็ถามว่านั่นสิเขาก็มาพูดกับเราเหมือนกันเขาก็พูดอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันเอ้ไอ้นี้นิสัยไม่ดีไปไล่มันออกซะจากนั้นท่านก็เลยไล่ออกจากวัดมืนกันเลยอย่ามายุ่งกับเราไปหนีออกไปไอ้นั้นก็เลยออกไปเมื่อออกพรรษาแล้วทีนี้พระเถระทั้งสองออกพรรษาแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พอไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระพองค์ก็ถามว่าเป็นไงสารีบุตรโมกขลาท่านไปอยู่ในสถานไปอยู่ในป่าสุขสําราญดีอยู่เหรอพระเถระทั้งสองได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสุขสําราญดีพระเจ้าค่ะแต่มันก็แปลกนะจิตใจปุตตชนจิตใจมนุษย์เนี่ย เ, เมื่อข้าพระองค์อยู่ด้วยกันเขาก็คงจะคิดยังไงก็ไม่รู้ เขาพยแยงให้ข้าพระองค์ทั้งสององค์ทะเลาะกันแต่ข้าพระองค์ก็รู้เท่าทันก็ได้ไล่ออกจากวัดไปเนี่ทันทีพระพุทธองค์ก็บอกว่าไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นนะสาริบุตรโมกคลาไอเนี้ยมันเคยยุแยงให้พวกท่านทะเลาะกันในอดีตชาติก็เคยมาแล้วแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายมีความพร้อมเพียงสมรูคีกันเขาเลยยุแยงไม่ได้ แต่ในพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งฟังพระพุอโอ้สมัยไหนพระพูดในเจ้าข่าที่มีคนยุแยงในชาติก่อนพวกข้าพระองค์อยากจะฟังนยพระพระพุทธโ อ, ก, โอก็ตรัสว่าสมัยหนึ่งสาลิบุตรพระสาลิบุตรเป็นราชสีพระโมคคลาเป็นเสือโค้งไอ้นี่ไอคนที่มาปนิบัติเนเป็นหมาจิ้งจอกงั้นหมาจิ้งจอกมันหนีเสือไม่ได้ทน่นี่หนีสิงไม่ได้มันก็กลัว มันก็เลยยอมสารภาพระมาเป็นผู้รับใช้จะให้ผมจะให้ผมรับใช้อะไรก็บอกผมเลยเถอนผมขอชีวิตเหมือกันผลในสุดราชศรีกับเสือโคกเลยเออเอารับใช้ก็รับใช้ก็เลยอยู่พออยู่ต่อมาทีนี่ผลใ น, นบัติสัตว์ทั้งสองเหมือนนราชศรีกับเสือโคกตอนนี้ไอ้หมาเจิงจอตอนนั้นมันคิดขึ้นมาได้เอ้บางทีเสือก็ไปฆ่าช้าง ไปฆ่าหมูไปฆ่าเก่งไปฆ่ากวางเราก็ได้กินทั้งหมดที่สัตว์สองตัวเนี่ยไปฆ่ามาแล้วก็เขาก็แบ่งให้เรากินแต่เรายังไม่ได้กินแต่เนื้อเสือกับเนื้อราชศรีเราอยากจะกินมันจะเป็นรสยังไง ห, หมาจิ้งจอกมันไม่ใช่จิ้งจอกธรรมดาไอ้กระจอกกระจอกไม่ใช่นะมันจะโยโยให้เสือสองตัวกับสิกัดกันว่ากันแต่ฟอนนิสุซก็เลยเข้าไปหาสิงโตนะราชศรีมา ราช ส, สีเสือโค้งตอนนั้นอ่ะที่เป็นเพื่อนของท่านอย่าไปไว้ใจนะเผลอเผอมันจะขำหมั่ท่านได้ง่ายๆนะเพราะฟังฟังดูแล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นมิตรทีดีนะแต่ลักษณะดูถูกท่าน เ, เสือโค้งตอนนั้นมันบอกว่าถึงจะเป็นราช ส, สีก็จะเรื่องกำลังนะสู้เสี่ยวหนึ่งของเราไม่ได้เราจะจัดการเมื่อไหร่แปลว่าเราไม่กลัวเลยราช ส, สีนั้น เสือโค้งว่าอย่างนี้นะทีนี้ก็ไปหาเสือโคงอ้งเองกทเนี่ยเออเสือโคง้งอ่เสือโคง่งราช ส, สีเนี่ยดูถูกท่านนะเออไอ้เสือไอ้ชะกิจจอกดูดูแล้วมันทำอะไรคว้างตาเราอยู่ตลอดเวลาอีกสักวันหนึ่งเถอะข้าจะตะปบให้มันลาบคาบสอนสอนมันให้มันจบจบไปเราเห็นแล้วมันยังไงทีนี้ ทั้งเสือกับสิงเนี่นะก็เลยเอมันพูดจริงหรือเปล่าทั้งที่เราก็รักกันไม่มีอะไรต่อกันแต่ทำไมสิงยึงพูดอย่างนี้นี่สิงก็เหมือนกันทำไมเสือจึงพูดอย่างนี้นะผลในสุดวันหนึ่งก็เลยเสือก็เลยเข้าไปหาสิงกอดมางั้นอะก็เลยเข้าไปว่าเออเป็นยัง ไ, ไงพวกเราอยู่ด้วยกันหนักใจใช่ไหม หนักใจกับผมใช่ไหมเสือเขาไปถามสิงสิงก็ถามเอา้าหนักใจเรื่องอะไรอา้าวที่ท่านได้พูดกับหมาจิงจอกนะพอหามาจิงจอกไปพูดให้ผมฟังว่าท่านหนักใจกับผมอบอกว่าผมทำขวางหูขวางตาลักษณะอย่างนั้นทางสิงโตนะโอ้ยเราไม่เคยพูดนี่แหละหมาจิงจอกมาพูดกับเราเหมือนกันมันบอกว่าเนี่ย เสือบอกว่าไอสิงจะเป็นสิง์ก็เถอะกาลังบังช้าเลยสู้เสี่ยวหนึ่งของเราไม่ได้เราจะขมําให้ดูอีกสักวันหนึ่งเนี่ยหมาจิงจอกว่าอย่างนี้โอ้แท้ยังนั้นไม่ได้สัตว์ตัว น, นี้มันจะยุโยงให้เราแตกกันนะนี่เพราะฉนั้นเราควรจะไล่หนีให้ออกไกลที่สุดจากนั้นมาหมาจิงจอกตัว น, นั้นพอเข้ามาเสือก็เลยคำรามขู่งั้นเถอะหมาจิงจอกตัว น, นั้นก็เลยหนีกลัวความตาย หนีให้ไกลที่สุดเลยว่ากันแต่นี่แหละนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ด้วยกันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบุคคลที่สามหรือเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน<ม>ก็ขอให้<ม>พวกเราท่้งทั้งหลายถามกันไถ่กันซะก่อนถึงจะเป็นคารวาสญาติโยมก็ตามถ้ามีปัญหาอะไรให้ถามกันการยุยง ไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้มันมีทุกยุคทุกสมัยเพราะนั้นพวกเราที่อยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันอย่างมิตรมิตรสหายมีอะไรปรึกษาปารบกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งแล้วความสงบผูมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมในมิตรของเราแต่ถ้าว่าพวกเราไปเชื่อบุคคลที่สามขึ้นมานั่นแหละ การยุยงเนี่ยเหมือนกับขมมีดโกนเหมือนกับขุมมีดโกนสามารถที่จะเชื่อพวกเราได้ทุกเว ล, เวลาเพราะนั้นนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะเกิดสุขอย่างพระบาลีที่ผมได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าสุขขาสังคตสาสามัคคีความพร้อมเพียงของสมหรือของหมูให้เกิดสุก เพราะนั้นการแตกแย ก, กสามัคคีกันให้เกิดทุกพูดอย่างนั้นได้ไม่น่าจะปิดมันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้พูดแสดงความคิดในหลายเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นว่าความเป็นมาของผ่นพระอาจารย์ชิดเป็นมาอย่างไรการที่มาสร้างวัดป่าดงค้อเป็นมาอย่างไรตลอดถึงการที่ท่านชิดได้เสียสละได้ช่วยครูบาอาจารย์โดยช่วยองค์หลวงตาเรา เกี่ยวกับหาทุนเพื่อช่วยชาติตลอดถึงสถานีวิทยุเสียงธรรมจนท่านได้เสียสละกระทั่งชีวิตของท่านท่านตายตนในหน้าที่ เ, เป็นบุคคลที่เป็นพระที่หาได้ยากถือว่าเป็นน้องของเราหลังพ่อนถือว่าเป็นน้องของเราเพราะท่านชิดอายุพรรษาน้อยกว่าแต่พวกเราท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นสหธรร ม, มิกที่ล้มหายตายจากไปเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่มาวันนี้ก็เพื่อจะรวบรวมจะตุปใจเพื่อจะสร้างอนุสรณ์สถานให้แก่ท่านท่านเชิดนะพร้อมกันกบผมก็ให้ในแนวความคิดเห็นการอยู่การเป็นอยู่พิจารณาอานิจจังผูขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอย่านิ่งนอนใจอย่าชราใจอย่าไปตายใจอีกสักวันหนึ่ง ร่างกายของเราจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยตายแล้วไม่สู์ตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นให้พวกเราให้เตรียมตัวไวให้ร่างกายของเรากับใจของเราเหมือนกับรถกับคนขับรถจากนั้นอ่ะ่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราอยากจะรู้ก็ให้ภาวนาทำจิตให้สงบเราจะรู้ได้โดยตัวเองไม่ต้องถามใครเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตตัง ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วไม่ลงมือแล้วจกไม่รู้นะจะไม่เห็นในธรรมท่านสูงลำดับขึ้นไปการกล่าวสัมมอนิยคถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรด้วยอำนาจขุนพศีรัตนตรายพ ร, า พ, าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเรามีความร่มเย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่ง ม, มาตนปราถนาทุกประการเทิน